ถึงตอนนี้มีเรื่องที่ควรกล่าวแทรกไว้เพื่อช่วยป้องกันความสับสนในการศึกษาต่ อ, ตอไปคือเรื่องสำนวนภาษาเกี่ยวกับการกล่าวโดวยปริยายคือโดยอ้อมหรือตามความหมายบางแง่บางด้านหรือแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือความหมายอย่างหลวมและโดยนี้ปริยายคือโดยตรงหรือโดยสิ้นเชิงคือความหมายจำเพาะหรือเต็มตามความหมายบริบูรณ์ ตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่องนี้คือพระอระหันต์ซึ่งมีอยู่เพียงสองประเภทดังที่กล่าวแล้วคือพระปัญญาวิมุตต์กับพระอุปัโตภาคาวิมุตต์พระอุปัโตภาคาวิมุตต์แปลว่าผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนเป็นผู้ได้วิโมกคือได้ฌานสมาบัติถึงขั้นอรูปฌานด้วยและบรรลุอรหัตผลด้วย ส่วนพระปัญญาวิมุตติได้แก่พระอาหารหัตตผลอย่างเดียวแม้จะได้ฌานก็ได้เพียงรูปฌานที่สี่ลงมาพระอาหารหันต์มีประเภทใหญ่เพียงสองเท่านี้แต่บางคราวนักศึกษาไปพบคำว่าพระอาหารหันตเจโตวิมุตตจึงอาจงงหรือเกิดความสงสัยขึ้นในกรณีเช่นนี้พึงทราบว่าพระเจโตวิมุตต ก็คือพระอุปโตภาคาวิมุต tn นั่นเองแต่เป็นการเรียกโดยปริยายด้วยต้องการเน้นวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในระหว่างก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลคือได้ปฏิบัติหนักทางสมถะมาก่อนไม่ได้หมายความว่าท่านบรรลุอรหัตผลด้วยเจโตวิมุตยอย่างเดียวยิ่งกว่านั้นในบางแห่ง แม้แต่ผู้ที่ได้บำเพ็ญทั้งสมถะและวิปัสสนามาโดยตลอดด้วยกันท่านแยกเรียกเป็นพระเจโตวิมุตต์บ้างพระปัญญาวิมุตต์บ้างเพียงเพราะความต่างแห่งอินทรีย์คือมีสมาธินสีแรงหรือมีปัญญาทินสี์แรงเท่านั้นก็มีดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ยกตัวอย่างไว้ท่านเรียกพระสารีบุตรว่าเป็นพระปัญญาวิมุตต์พระมหาโมคลานะ ว่าเป็นพระเจโตวิมุตต์บางแห่งใช้คําว่าเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์คู่กันหมายถึงพระอาหารหันต์ผู้หนึ่งผู้เดียวคือผู้ได้เจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ตามปกติก็มีหรืออย่างในคัมภีปฏิสัมพิธามักกลายเป็นพระศัทธาวิมุตติพระทิฏฐิปัตตะและพระกายสักขี ท่านก็เรียกอย่างนั้นไปตลอดจนเป็นพระอระหันต์หรืออย่างที่พระวกระลิได้รับยกย่องเป็นเอตัทธ ะ, ะในบรรดาพระสัทธาวิมุตติหรือสัทธาวิมุตติคำพีวิสุทธิมรกก็พลอยอธิบายไปตามอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจ เ, าเรื่องการเรียกโดยปริยายเพื่อเน้นแง่ความหมายที่ต้องการบางอย่างก็จะสับสนกลายเป็นมีพระอระหันต์อีกมากมายหลายประเภท แม้ในการอ่านความหมายของข้อธรรมต่างๆก็เหมือนกันเช่นที่ท่านกล่าวว่าสัมมาสติได้แก่สติปทานสี่ตามปกตินักศึกษาย่อมมองสติปฐานว่าเป็นหลักหรือวิธีปฏิบัติธรรมที่มีทั้งให้เป็นอาตาปีคือมีความเพียรสัมปชานโนมีสัมปัญญะเป็นต้นคือเป็นกระบวนการปฏิบัติที่มีองค์ธรรมทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัว บางคนจึงสงสัยว่าสัมมาสติจะเป็นสติปทานได้อย่างไรหรือว่าสติปัฐานจะเป็นเพียงสัมมาสติได้อย่างไรในกรณีนี้จะต้องมองความหมายเสมือนพูดว่าสัมมาสติได้แก่สติอย่างที่ใช้ในสติปฐานหรือสติอย่างที่ใช้ตามวิธีการปฏิบัติของสติปัฐาน อีกตัวอย่างหนึ่งคือสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิหรือการบำเพ็ญสมาธิท่านแสดงไว้ว่ามีสี่อย่างเช่นข้อที่สี่ว่าสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วยอมเป็นไปเพื่อความสึ่นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนักศึกษาบางคนจึงงงและสงสัยว่าสมาธิก็คือองค์ธรรมแกนของสมถะ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 ไม่ใช่หมายความว่าปึกหรือเจริญสมาธิขึ้นมาอย่างเดียวถ้าจะพูดให้เข้าใจกันอย่างง่ายสมาธิภาวนาในกรณีนี้ก็คือการฝึกฝนปฏิบัติธรรมที่ใช้สมาธิหรือการฝึกเอาสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมวิธีต่างพระธรรมทินาเทอรีแสดงความหมายของสมาธิภาวนา